ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุรชนทั้งหลายการบรรยายประสูท์ในวันนี้ไปจะพูดถึงพระปริษสองปริษคือคำว่าปริษกับประสูทธ์นั้นมีส่วนแตกต่างกันประสูทธ์เป็นการเริ่มต้นรือมีนิทานอุกฤลเรื่องราวสถานที่ แล้วก็จบลงด้วยผลที่ท่านบอกไว้ในพระสูตรนั้นๆแต่ส่วนผลิตจะขึ้นขึ้นมาเป็นธรรมะแล้วก็จบลงมาก็เป็นธรรมะล้วนๆส่วนเบื้องหลังความเป็นมานั้นท่านเล่าไวไ้ในที่อื่นจะไม่ปรากฏในส่วนของผลิตเหล่านั้นอันนั้นบางครั้งบางคราวป ร, ริตเองแม้วก็เป็นการตัดตอนมาจากพระสูตร อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นรัตนปริตกาถาก็ตัดมาจากรัตนสูตรขันธปริตก็ตัดมาจากหิราชสูตรหรือบางครั้งบางคราวเราก็เรียกว่าปาฐะเช่นการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนัจว่าอนุสรณปาฐะ ก็เป็นการตัดมาจากทศกษุล ต, ต้นๆประดิตแรกเรียกว่าอังคุอังคุลิมาลปริษแต่ว่าเวลาท่านสวดนั้นเนื่องจากปริตนี้มีเพียงสองบรรทัดเท่านั้นเองแล้วสวดทั้งก็สวดต่อกันสองปริตเลยคืออังคุมาละปริษกับโพชังคับปริษอังคุอังคุอังคุลิมาลปริษนั้นก็มี ข้อความในตอนต้นซึ่งเคยเล่ามาในปุติจัยมงคลคาถาที่ถึงตอนหนึ่งที่ว่าเมื่อพระองคุลิมานท่านได้บวชแล้วไปเที่ยวบินทบัตในสถานที่ต่างๆคนก็หวาดกลัวกันว่าโจนองคุลิมานปลอมเป็นพระเจอหาคนฆ่าไม่ได้ต้องปลอมเป็นพระมาเจอฆ่าคนก็ทาให ท่านเดินไปที่ไหนคนก็วิ่งหนีจะบินระบาตก็ไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งไปเจอผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งคือตอนที่แกตักบาทนั้นแกก็ไม่ได้มองหน้าคือตอนเดินเข้ามานะั้นไม่ได้มองหน้าเพละะันก็เข้าใกล้มาพอจะตักบารเกิดเงยหน้าขึ้นมาดูจำได้ว่าองค์คนริบารนก็ตกใจวิ่งหนีแต่เนื่องจากท้องแก่แล้วก็อารามที่ตกใจไม่ได้วิ่งเข้าทางประตู ไปวิ่งเข้าทางรั้วบ้านก็เข้าไปไม่ได้ติดท้องแล้วก็ดิ้นอยู่พระองค์กมารนั้นถ้าไม่รู้จะทำยังไงก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้สงทราบพราท่านรู้สึกสงสารนักเกินแต่ไม่ทราบว่าจะช่วยยังไงพระเจ้าก็รับสั่งว่าให้ท่านกล่าวสัจจคาถาเพื่อยืนยันสึ่งที่ ถึงสถานะของท่านในปัจจุบันว่าสิ่งที่คนคิดว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรอกคาถานั้นจึงแปลไปใจความว่าลูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่ได้มีจิตเจตนาที่จะฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตาย ต, ายตกล่วงไป โดยน่าสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจุง ม, มีแก่เธอและก็ขันของเธอด้วยแต่ท่านก็ติ่งพระพุทธเจ้าพอถ้าพูดอย่างนั้นไม่ได้พราะตอนแกนเป็นโจดนั้นเจตนาฆ่าจริงไพระเจ้าก็รับสั่งให้เปลี่ยน่ะใหม่ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาโดยอริยกชาติคือนับตั้งแต่วันบวชกันนับก่อนจากนั้นไม่เอา ก็นับตั้งแต่วันบวชเป็นต้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยที่จะฆ่าสัตว์ก็ด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอแล้วก็ขันของเธอข้อความมันก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแต่ว่าพระปริตนี้ออกจะมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นนันมากทีเดียวก็โดยเฉพาะสมัยโบราณหมอตำแยสมัยโบราณเนี่ยจำคาถานี้ได้หมด เคใช้ในเวลาไปทําคลอดต่างๆแล้วก็เชื่อถือกันว่ามีความครั่งมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆและสัตว์วิชาที่ท่านได้กล่าวในคราวนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกง่ายแระท้าอาจารย์เล่าว่ามือนก็น้ำไหลออกมาจากกระออมแล้วต่อมาแม้แต่พอคนเอาน้ําไปล้างอไปล้างไอ้สถานที่ที่ท่านนั่ง เอาจครั้งครั้งนะฮะพระสูตรนี้เอาจะครั้งครั้งล้างมาแล้วก็ให้ผู้หญิงมีคันดืม่มปรากฏว่าก็ดืม่มคลอดง่ายผิดปกติแล่จากนั้นมาความรู้สึกเป็นมิตรก็เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านกับพระองค์คกิมานประการสําคัญองค์ธรรมในที่นี้ก็คือเรื่องของสัจจะและอธิษฐานคือเป็นการตั้งสตยาธิฐาน แต่ว่าสิ่งที่จะนามาก่าวอ้างนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะไม่จะวันึกจะอ้างอะไรก็อ้างไม่ได้อย่างวันก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าคนบางคนวัดวาก็ไม่เข้าแล้วก็เรียกชายพระรัตนตรัยเรื่อยเลยเสร็จแล้วก็ขออ้างคุณพระรัตนตรยัยอวยพรอย่างนั้นอย่างนั้นคือคือก็ไม่ค่อยสนใจอะไรกับพระรัตนตรัยเท่าไหร่แต่เรียกชายท่านเรื่อย ใชช่วยประสิทธิ์ประสาทพรให้คนอื่นเขาแสดงว่าพระตัตนาตรัยถ้าเป็นคนก็คงทํางานหนักเพื่อนเรียกใช้กันอุตลุดวันวันนี่คือบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะสําเร็จนะฮะบางครั้งบางคราวอาจจะไม่สําเร็จเพราะการกล่าวอ้างคุณปรตัตนตรัยนั้นแสดงว่าตัวเองต้องมีคุณพระรัตนตรัยอยู่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิดผลแก่บุคคลที่เราให้สีให้พร สิ่งที่พระโมคคัลลานะพระอังคฤมานพระองคฤมานออกมาอ้างนั้นจึงไม่ได้อ้างพระรัตนตรัยแต่อ้างเอาสัตว์จะของตัวท่านเองเพราะตั้งแต่เกิดมานั้นแม้แต่ความคิดนะฮะไม่ได้พูดถึงการกระทําที่ออกมาทางกายทางวาจาแม้ความคิดจะฆ่าสัตว์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเลยซึ่งในกรณีนี้เราจะมองมองเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระองค์คริมานว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยโดยการสะดับพระพุทธธรรรัต์ก็ไม่กี่ประโยคคราวหนึ่งต่อมาก็ได้ฟังเทศรับการรับรองจากพระเจ้าประเสิทธิโกศลทำให้จิตใจของท่านอ่อนโยนต่อคนอื่น ด้วยจากความเที่ยมหรุโสดนะคือขนาดเที่ยมหรุโสดจริงๆกลับมาเป็นความเมตตากรุณาเป็นจิตสันดานจนไม่มีแม้แต่ความคิดการเข้าถึงจิตไม่มีแม้แต่ความคิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับและเห็นว่าการปฏิบัติในชั้นศีลแต่ละข้อยกตัวอย่างอธินาทานศีลข้อที่สามศีลข้อที่สอง ในชั้นของศีลห้าเราก็พูดถึงหยิบฉวยของเขาเลยแหละคือหยิบไปเลยหยิบฉวยไปเลยจึงจะเป็นอาทินาธานแต่ในชั้นของศีลที่ประณีตมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกด้วยขนาดแต่ว่าไปลูกครามจับต้องของเขาด้วยความอยากได้เห็นเครื่องลายครามเห็นเครื่องนาฬิกาเห็นรถเห็นราอะไรต่วอะไรเขาไปจับจับต้อ ง, อ, งอยากได้ก็ถือว่าศีลทะลุ ด, ด่างพร้อยแล้ว สำนวนบาลีท่านใช้คบว่าอาวหารอาวหารของอาทินนาทานหรือเนเป็นบุภาพประโยคคือประโยคที่เกิดขึ้นก่อนจะเป็นอาทินนาทานจริงในแง่ของศีลก็ผิดศีลนะครับแต่ว่าเป็นศีลสมรัตพระไม่ใช่ศีลสมรัตชาวบ้านจนถึงการรูปคลัมทามให้ไหวเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นใ น, นการผิดศีลในชั้นที่เปรีนบีตงนั้น พอมาถึงจุดหนึ่งคือเข้าถึงใจเลยแม้เกิดความลำโมอบอยากจะได้ของของบุคคลอื่นมาเป็นของของตัวก็ถือว่าเป็นพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติที่ซ้ำหมองให้ท่านหลลองสังเกตนะว่าเริ่มมาจากกายกวาจาก็กตามหยาบหยาบกันไปก่อนแล้วต้องเข้าถึงใจทั้งหมดเลยถ้ายัางไม่เข้าถึงใจไม่มีฐานที่มั่นคง ยังถูกโยคร้อนด้วยปัจจัยภายนอกได้แต่แต่เข้าถึงใจแม้แต่ความคิดก็ไม่เกิดนะฮะซึ่งพระองค์กิมาร น, นั้นน่าเกิดมากเลยเพราะว่าท่านบินตบาทบางทีคนปาถูกหัวจะแตกบ้งคนด่าบ้างคนอะไรต่ออะไรนะฮะจีวงจีบรขาดบางทีก็บาดแตกมาเลือดโชกมาเลยมาฟาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งแต่ให้อดทนไว้ภิกษุอดทนไว้ที่เธอทํากับเขานะมากกว่านี้เพราะงั้นเธอโดนก็บ้างแล้วก็ให้อดทนไว้ ท่านก็อดทนได้อดทนจนกลายเป็นเมตตากลายเป็นให้อภัยกลายเป็นกรุณาฐานใจนะฮะเดินไม่ใช่เล่นธรรมะเดินลึกเหลืเกินดังนั้นก็มันกลายเป็นสัจจะจริงๆสำหรับท่านแต่พระตดดำรัสที่ตัดคราวแรกนั้นท่านท่านบอกวันชายไม่ได้อะคือคือคือเพราะไอ้ตอนได้ล่ฆ่าเขาคราวก่อนที่ปูเลงปูเลงนะ่ะฆ่าจริงอะเจตนาจริงเอามาอ้างเป็นสัจจะไม่ได้ แต่ท่านเฉพาะช่วงตั้งแต่บวชมาแล้วก็ท่านก็เชื่อมั่นของท่านว่าเป็นสัจจะได้จริงๆก็อธิษฐานใจตั้งความปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวต้องการจะให้เป็นแต่เราสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือว่ า, เ, าเหตุปัจจัยที่ให้เกิดผลตามแรงอธิษฐาน ไมาจะว่าใครนึกจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานได้มันต้องมีเหตุปัจจัยที่ให้เกิดตามแรงอธิษฐานเหล่านั้นเสียก่อนเช่นว่าการเช่นเดียวกับการกรวดน้ำนะฮะอธิษฐานต้องการจะให้บังเกิดผลแก่ญาติพี่น้องที่ทำกาลกุริยาตายไปแล้วมันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของมันอย่างที่ทรงแสดงไว้ในชานุสโณนิสูตรว่าไม่มีเงื่อนไขยุธประการประการแรกคือเราต้อง ทำบุญในที่กุศลจากไม่ใช่เราทําต้องหนึ่งเราต้องทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งสองเราต้องอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ญาติพี่น้องของเราที่ตายไปแล้วสาญาติพี่น้องของเราจะต้องอยู่ในฐานะของปรัตตูปชีวีเปรตในกรณีของอาหารนะฮะจึงจะเกิดเป็นอาหารแก่ญาติที่ตายไปแล้ว แต่ถ้าญาติที่เป็นเปรตตะทูปชีวีเปรไม่มีก็ไม่ถึงหรือมีแต่ไม่รู้ก็ไม่ถึงหรือรู้แต่ไม่อนโมทนาก็ไม่ถึงคือมีเงื่อนไขของมันทีนี้สมบัติญาติพี่น้องเราอื่นมันจะออกมาในรูปของอายุวันนะสุขขาละจะไม่ออกมาในรูปของอาหารอย่างที่ท่านได้ฟังเรื่องเปรตตวัตถุมาก็คงจะจับประเด็นเหล่านี้ได้เพราะมาอยู่ที่เงื่อนไขการอธิษฐานนั้นไม่ใช่ว่าสําเร็จทุกคนหรือไม่สําเร็จทุกคน แต่ถ้ามีเงื่อนไขให้สำเร็จก็สำเร็จมีเงื่อนไขไม่สมําเร็จก็ไม่สมําเร็จคือเงื่อนไขมันไม่พร้อมฮะไม่พร้อมที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นก็ไม่สมําเร็จแต่ตัวการสําคัญที่เกิดขึ้นในตอนหลังนั้นก็อยู่ที่ความศรัทธาเชื่อถือความศรัทธาเชือ่อถือที่มีอยู่ภายในใจของบุคคล น, นั้นเชื่อถืออํานาจป้าพระบาริสเนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าให้เกิดผลดี กาจัดปัดเป่าอันตรายให้เกิดผลดีแก่บุคคล ท, ท, ท, ท, ที่มีการสวดมีการสาธยายหรือว่าใช้ผลจากการสวดสาธยายรประผลิตเหล่านี้ไปใช้ศรัทธาจึงมีกําลังมากถ้าหากว่าแต่ความศรัทธาเลื่อมสายไม่มีหรือว่าทําไปแกล้งทาไปศักแต่ว่าเป็นพิธีก็คงจะไม่เกิดผลอย่างที่เราต้องการแต่นั้นผลบางอย่างจึงเกิดขึ้น คนบางคนหรือว่ารถบางคันเอาไอ้หลวงพ่อมาเจิมเจิมเจิมออกจากวัดหน่อยเดียวชนเปรี้ยงเรียบร้อยเลยนี่แสดงว่าก็เก่งไม่จะเล่นนั่นกันนายหลวงพ่อคือเจอไม่ชนได้ทันทีก็องค์ประกอบมันก็ขาดไปนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเจิมแล้วเราจะขับยังไงก็ได้ก็ต้องต้องอยู่ที่มีสติความระมัด ร, ระวังะอะไรท่ออะไรก็ข้าวเป็นองประกอบเพื่อจะเกิดสวัสดิมงคลขึ้นมาแต่ถ้าองค์ประกอบเหล่านั้นหายไป แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพียงครึ่งเพียงกึง่งมันก็เกิดผลประโยชน์ไม่ได้เกิดผลประโยชน์เต็มตามที่เราต้องการไม่ได้นี่คือเรื่องของการอธิษฐานอธิษฐานจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาสิ่งดีเข้ามาอธิษฐานเสมอไปนะฮะแตในอัตถกาถาชาดกถึงลกล่าวถึงคนสาสี่คนก็อธิษฐานก็มีอยู่เรื่องหนึ่งแต่โอจะคำดีฮนะคือพัญญาแกอธิษฐานว่า คือประกาศสัจจะปฏิญาณไม่ใช่อธิษฐานก็ก็แบบเดียวแต่อันนี้มันประกาศออกมาข้างนอกว่าตั้งแต่แต่งงานกับสามีคนนี้มาแกไม่เคย ร, รู้สึกรักเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวด้วย <c oughs> อำนาจสัจวาจานี้ก็ขอให้ เ, เกิดผลตามที่ก็ต้องการรู้สึกจะแก้โรคอะไรเนี่ยมีคนป่วยขึ้นแล้ว ก, ก็หายได้เหมือนกันเป็นสัจจะจริงๆคือความรู้สึกรักในสามีนี่ไม่มีเลยจริงๆเหมือนกัน นี่ก็กลายเป็นพลังกลายเป็นกำลังในการตั้งสัตยาธิษฐานได้ส่วนคนในภายหลังนั้นแน่นอนว่าต้องเอาอาศัยความเชื่อในอํานาจของพระปริศด้วยแต่เราไม่เชื่อไม่ศรัทธามันก็เกิดผลไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรลืมว่าปริศนี้มีอายุยืนนานมาสองพันกว่าปีนี่ต้องมีอนุภาพอะไรมีอนุภาพอะไรที่คนเขาปฏิบัติแล้วก็กได้ผลเขาใช้กันเขาได้ ในระดับปริต์นะฮะในระดับปริต์ระดับขจัดโรคภัยไข้เจ็บส่วนระดับปฏิบัตินั้นไม่ต้องพูดมันก็ให้ผนอยู่แล้วประสูตรต่อไปนั้นก็เรียกปริยตก็ไม่เรียกไม่เรียกสูตรคือประสูกต์นี้มันมาปริตนี้มันมาจากประสูต์สามสูตรแล้วก็มารวมกันข้าเป็นสูตรเดียวก็กลายเป็นตัดมาท่อนหนึ่งเป็นปริตคือพูดถึงธรรมะล้วนๆเลยเราเรียกว่าโพชรชังกับปริยต พุทธชงหรือพุทชังก็พก็คือองค์ธ ร, รมเป็นเครื่องนำผู้ปฏิบัติให้สัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคยา่างที่จริงเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆแต่ว่ามันเกิดผลในรูปธรรมปีติคือความเอิบิมความปีติในธรรมที่นำออกมาในรูปของการกระจัดทุกภัยโรคได้ เพราะในชั้นของปลิตอย่างที่บอกมาในตอนต้นๆนานมาแล้วนะฮะว่าวัตถุประสงค์ของเราก็คือขอให้พระสวดปลิตรรอันเป็นมงคลเพื่อบำบัดเสียซึ่งทุกภัยโรคต้องการบำบัดเสียซึ่งทุกภัยโรคดัง น, นั้นคาถาพระสูตรพระผริตที่ว่ามาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องขจัดทุกภัยโรคในระดับปลิตนะฮะ ส่วนระดับปฏิบัติไม่ต้องพูดคือคือทุกสูตรพิสูจน์ตัวเองได้ตลอดแต่ระดับผลิตมันก็อยู่ในเงื่อนไของค์ประกอบดังกล่าวแล้วว่าทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับจะต้องสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นการแสดงถึงธรรมะเจประการก็คือพ่อชงเจ็ดนั่นเองส่วนรายละเอียดในพ่อชงเจ็นั้นก็คงจะไปเจอในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เข้าใจว่าแถวแถว แต่กรกดาเลยของเจเคือสติสัมโพชฌงเวลาท่านเรียกนั้นท่านเรียกสติสัมโพชฌงนะฮะไม่ได้เรียกธรรมดาแต่เวลาเราเรียนในธรรมยันตร์ตรีระดับทั่วๆไปเราเรียกว่าสติเฉยเฉไม่ได้เรียกเต็มยศนะแต่เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองทรงเรียกเต็มยศคือพระพุทธเจ้าทรงรับรองทั้งโดยผล แล้วก็โดยเหตุผลจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ต้องแสดงตัวเหตุให้สมบูรณ์ถ้าตัวเหตุบกพร่องไปผลก็จะบกพร่องตามไปอย่างที่เคยเล่าฟังว่าอิทธิบาทสีที่เราท่องท่องกันตั้งแต่เรียนป .1 งานฉันทาวิริยะจิตตะวิมังษาเวลาถามเด็ ก, กแกไม่แปลให้ก็พูดบาลีล้วนเลยฉันทาวิทยาจิตตะวิมังษาอันนั้นเราตัดมาพูดนะครเราตัดมาพูดเพียงนิดเดียวแต่นั้นเอง เพราะในเชิงปฏิบัติแล้วเป็นระดับพัฒนาจิตที่เอาผลจริงๆที่แสดงไว้ในมหาปรินิพานในสูตรก่อนพระพุทธเจ้า ต, ตอนพระพุทธเจ้าก่อนพะระพุทธเจ้าจะปรงพระชนมยุทสังขารนะครับคือเขาเรียกว่าเ้เาเรียกเต็มเลยเาเรียกว่าฉันทะสมาธิปธานะสังขาร ม, มันมีองค์ธรรมสี่ข้อนะฮะองค์ธรรมสี่ประการแต่เรามาเอาข้อเดียวเองเอฉันทะเฉยๆก็ ฉันถ้าจะเฉยบางทีมันก็ถูกโยกครอนได้เพราะงั้นคนบางคนอิธิบาทมีกำลังออดมันก็สำเร็จได้ในระดับหนึ่งนั่นเองแต่ถ้า เ, เป้าที่ท่านต้องการจริงๆมันเป็นพวกโพติปัจจิธรรมบางอคือธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติให้จัดสรู้อยู่กลุ่มเดียวก็พโพชงเวลาปฏิบัติก็ผสมผสานกันหมดเลย 3-7 ข้อรือข้าเป็นอริยมรรค ม, มงแปประการหมดเลย ก็ทรงใช้คําถึงออมีองค์ธรรมสี่ข้อนะฮะเรียกธรรมะข้อเดียวฉันพระสมาธิประธานสังขารคือการปรุงแต่งความพอใจขึ้นให้มีความมั่นคงนะฮะให้เป็นประธานคือความเพียรที่แน่วแน่แล้วก็ไม่ไม่หวั่นไหวยโยกคลอนคือเป็นสมาธิเพราะฉั้นถ้าพอใจอย่างพอใจในสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าถูกหลอกถูกล่วงถูกให้ฆ่าถูกให้สลละลูกให้สละมีอะไรต่วใดไม่ไม่โยกคลอนเลย มายกครองเลยทำยังไงก็ได้ไม่หวั่นไหวแม้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าสมาธิของเอ่อชันทาของพระองค์อยู่ในจุดที่เป็นอิธิบาทบางครั้งบางคราวกีจายไม่ตายแหลม่าหน่าจะไปนะน่าจะเอ้ยไม่ไม่ไหวสงสัยไม่ไหนเรื่องครับวางดีกว่าเหนื่อยจะตายไม่ไม่มีถูกโยกครองได้เลยนั้นคือคือเราจะเห็นว่าพระพุทธดํารัตเนี่ยมันมีความกระชับอ่ะ กระทบในเชิงเหตุและก็เชิงผลทีนี้เราสอนคนทั่วไปเราก็ไม่เอามาหมดอ่ะอย่างที่เล่าฟังว่าประเทศศรีห้าปรเทศชาวบ้านว่านกว้าอย่างเงี้ปาายป้านาจะฆ่าสัตว์พูดง่ายๆอย่างนั้นเองอ่ะขอหยาบๆก่อนอ่พอไปนิ่งๆแปลอธิบายมากๆก็ยมไม่เอาหรอกก็เอาธรรมดาๆรรให้ได้แต่ก่อนทีนี้พจน์ชงก็เหมือนกันเรียกว่าสติสามพจน์ชังโก องค์ทำเป็นเครื่องนําผู้ปฏิบัติให้จด ส, ะสะู้คือสติเอาอย่างนั้นเลยฮะเวลาเต็มที่ขานะสติสัมโพชังโกวิริยะสัมโพจังโกธรรมวิจยะสัมโพจังโกวิริยะสัมโพจังโกขึ้นอย่างนั้นหมดเลย7ข้อจะใช้เรียกอย่างนั้นแต่เวลาเราเรียกเราเรียนข้างล่างเราไม่เรียนอย่างนั้นเราเรียนสติธรรมวิจัยธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสติสมาธิอุเบกขาเรียนเท่านั้นเอาตัดมาเฉพาะข้างหน้ามาพูดกัน คือพูดระดับหนึ่งสติสัโ พ, ช ง, พชงองคธรรมเครื่องนำผู้ปฏิบัติให้สัสรูนั้นก็คือสติที่พูดกันนั่นแหละแต่ว่าจะต้องปฏิบัติถึงจุดที่เป็นสติประฐานคือตริตร ะ, ตระลึอกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมะฮะอย่างวสวนีท่านตั้งหลายให้โปรดสังเกตว่าในแง่การหาความเข้าใจนะฮะ การหาความเข้าใจในธรรมะแล้วไม่ว่าอะไรถ้าเป็นกุศลแเรวก็วิ่งเข้าอาริยมรรคหมดเลยจะตีออกเป็นสารแฉก ค, คือเป็นศีลสมาธิปัญญาได้ตลอดแล้วจับเอาเลยไม่ต้องไปนั่งนับตัวเลขกระปวดหัวเลยนะอาศัยความเข้าใจเอาพอเลยลักษณะของสติควรจะอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยฮะแต่เราเข้าใจศีลสมาธิปัญญาหรือเข้าใจองค์ริมคให้เป็นฐานเราจะดูดเข้าหาได้ทั้งหมด เพะงั้นเวลาท่านฟังอย่างฟังเจ้าประคุณสมเด็จเทศนะฮะจะจะเพราะว่าสมเจ้าประคุณสมเด็ดจเจ้เทศอริยสัจสอยู่เสมอเลยเพราะมันเป็นอริยสัจสีพูดไปพูดมาท่านจะสรุปข้าวอริยสัจสีให้ดูเพื่อโยมเพื่อสรุปตัวเลขให้โยมดูอ ย, อย่าไปอย่าไปตกใจนะเดี๋พู ด, พ, ดพูดเนี่ยนี้ก็ามาก็พูดมาทั้งสองกว่าม้วนนะที่จริงมันก็ไม่เคยออกจากอริยสัจสีสักชีตนึ่งต่อไปก็คือวิริยะสามโคตรชงองค์ธรรมเครื่องนําผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ธรรมวิจัยก่อนธรรมวิจารยะคือการสอดส่องการพิจารณาธรรมต่อมะมันก็สอดส่องกันมาเรื่อยนะฮะการแยกแยะให้เห็นเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางกลางแล้วก็สอดส่องไอ้นี่เป็นรูปไอ้นี่เป็นนามไอ้นี่เป็นเป็นเป็นอนัตตาไอ้นี่เป็นอนิจจังไอ้นี่เป็นทุกขังแล้วก็รู้ว่าเป็นหมดทั้งสามอย่างไอ้นี่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็วิจัยได้ไปเรื่อยๆอ่ะท่านนี่ปัญญานี่ย ปัญญาวิจัยลึกลงไปขนาดไหนมันก็วิจัยได้ลึกไปเรื่อยๆปังั้นไอ้ตัวนี้มันคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะวิจัยเรื่อยไปนิจัยลึกขนาดไหนมันก็ได้เห็นขนาดนั้นแต่ตัวการสําคัญท่านทั้งหลายเห็นว่าการวิจัยในแนวของเราพระพุทธเจ้านั้นวิจัยขึ้นท่าไรกิเลสลดท่านั้นกิเลสลดลเรื่อยๆไอ้อนี้คือคือสิ่งที่ดีงามจริงที่ดีงามการวิจัยในบางแนวนั้นเราจะลืมนะฮะ ว่าเมื่อมันเริ่มต้นที่สมาธิได้นะอีกสายหนึ่งมันก็เริ่มต้นที่มิจฉาทิฐิได้เหมือนกันแต่บางไอการวิจัยบางอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในสีมัสพระกัวัตขีตาหรือที่ที่ที่อาจารย์เขท่านองคุลิมานสอนนะว่าจะศบแกก็วิจัยเหมือกันนะฮะวิจัยเหมือนกันแต่แกวิจัยออกมาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นข้ากันไม่บาป เป็นฆ่าการไม่ดบับวิจัยมากวิจัยออกมาเนื่องจากมันเริ่มที่มิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นโมหะมันเป็นความหลงฆ่ากันไม่บาปจับตัวธ า, าตแทรกไปในธาตุดาาก็เป็นธาตุค้นฆ่าก็เป็นธาตุคนถูกฆ่าก็เป็นธาตุเพราะงั้นธาตุแหวกไปในธาตุไม่บาปอะไรสงครามมหาปรารถยุทรรบกันสิบแปดวันตายเป็นเบือเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยแล้วก็ขึ้นสวรรค์กันเรียบร้อยอยุทธิศเถียนหัวหน้าแม่ทัพใหญ่ขวายปานนดบนั้น ได้ขึ้นสวรรค์แล้หมาไปตัวงด้วยนะต้องทําบุญอะไรอันนี้ก็คือคําสั่งสอนที่มีอยู่ก่อนพุทธสมัยนี่จะก่อนในสมัยนั้นนั่นเป็นสายของการวิจัยเหมือนกันเป็นสายของการวิจัยเขาวิจัยแต่บางทีนี้เขาเริ่มด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยมิจฉาทิฐิมันเป็นอาการกัมโมหะก็วิจัยออกมาอย่างงั้นนหะวิจัยออกมาอย่างที่แกวิจัยหรือท่านปะกุทาก迦เจยณะท่านวิจัยว่าโลกนี้ที่จริงประกอบด้วยสภาวะเจ็ดกองนั้นเอง คือดินน้ําลมไฟสุกทุกอชีวะนะดินน้ําลมไฟสุขทุกขอชีวะเป็นสภาวะเจ็ดกองที่คงชี้ยืนดวงไม่มีใครสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มีใครสร้างไม่มีผู้สร้างแล้วไม่มีใครทําลายไม่มีผู้ถูกทําลายต่อมาความคิดนี้มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นในสภาวะเจ็ดกองนี้มันทั้งทั้งหมดมันก็ฆ่ากันได้มันก็ออกมาในรูปของสีรษะพระกวานขีตา พระพุทธเจ้าเองก็มองจากไอ้พวกนี้เหมือนกันนะมองจากจุดนี้แต่ของพระพุทธเจ้าท่านเริ่มจากสายใหม่คือสายของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าพอเริ่มที่สัมมาสติระลึกชอบระลึกชอบมันก็กลายเป็นธรรมวิจัยวิจัยในทางที่ชอบปัญญามันเกิดปัญญามันเกิ ด, ญญกดขจัดกิเลสขจัดกิเลสก็เรียกกิเลสก็ลดวิจัยวิจัยไปวิจัยมาไม่มีอะไรเลยมันมีแต่สภาวะ ที่ว่างเปล่าจากตัวตนไอ้ความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่มีที่เกาะมันเมื่อไม่มีอะไรมันก็ไม่มีที่เกาะไอ้สิ่งสม่ัตยึดมันต้องมีสิ่งให้ยึดอะทีนี้เมื่อเมื่อเห็นมันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ก็ไม่รู้จะยึดอะไรใจมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรในสิ่งทั้งหลายนี่เป็นการเรียนจุดเดียวกันนะฮะท่านจะเห็นว่าแต่ข้องเขาเริ่มที่สม ไ, ไม่ใช่มิจฉาสติ มิจฉาสติพอไปวิจัยข้าวมาันก็เริ่มในสายของมิจฉาทิฏฐิกับวิชฉาสังกัปปะแต่ของพระพุทธเจ้าเริ่มที่สัมมาสติเฉพาะสายโพชงนะฮะไอเริ่มท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจว่าที่ที่พูดมาและธรรมะ ม, มันขึ้นอยู่กับเริ่มตรงไหนมันก็หมุนวงกลมตรงนั้นแหละมันก็หมุนอย่อยางเงี้ยศีล ส, สมาธิปัญญาเริ่มติดศีลก่อนหรือเริ่มติดปัญญาก่อนก็ได้เริ่มติดปัญญาก่อนมันต้องเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการมีศีลแสดงว่าเราเริ่มติดปัญญาเราไม่ได้เริ่่มทีศล เรื่องที่ศีลพอเห็นคุณคงมีศีลเห็นโทษของการแล้วเมื่อศีลเราก็มาสมาทานศีลมื่ก็เป็นศีลพอรักษาศีลดีปัญญาก็พิจารณาศีลใจมันก็เป็นสมาธิสมาธิ ม, าธมันก็เกิดขึ้นทีหลังปัญหาว่ามันมันหมุนน่ะจะจําเป็นจะต้องพูดองคได้องหนึ่งเสียอย่างจำจำเป็นจะต้องพูดองคไดองหนึ่งเสียกอดสักอย่างหนึ่งแต่ในเชิงปฏิบัติจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเรื่องตรงไหนก็ได้นะฮะก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยพูดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยว่า ตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานก็ได้อุปาทานเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็ได้ปัญหาว่าเราพูดตรงไหนล่ะสมมติว่าอาตมาเนี่ยเห็นในการนี่ก็อยากได้ใช่ไหมมันก็เป็นตัณหาพอได้มาก็ยึดถือเป็นของเราก็เป็นอุปาทานแสดงว่าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานแต่ทีนี้อายุถือว่าเป็นของเราเออมันก็ดีมันก็ใช้ประโยชน์ได้เดียอยากได้แต่เครื่องใช่ไหมอุปาทานมันก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหามันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เราจะพูดกันช่วงไหนล่ะ มันเป็นปัจจัยองการในการมันก็หนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะ ง, งั้นธรรมะกลุ่มนี้ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันต่อไปก็คือวิริยะวิริยะก็คือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่นะฮะเวลาเดินจริงๆนะฮะเนื่องจากพูดถึงพุทธชงอย่าอย่าลืมว่าระดับนี้เราพูดถึงพุทธชงพูดงองธรรมเรื่องต่างๆสรุปพรางั้นวิริยะจึงเน้นไปที่ความเพียรในสี่เรื่อง คือความเพียรในการระมัดระวังบาปไม่เกิดขึ้นความเพียรในการขจัดบาปความเพียรในการเพิ่มกุศลและความเพียรในการที่จะรักษากุศลแล้วก็ทําในลักษณะเป็นวงจรแหะก็หมุนกันอยู่เองในตัวข้อแก่ทีนี้ในขณะที่ทําต้องมีสตริระลึกมีธรรมวิจัยอยู่ไม่จะเพียรเรื่อยไปอุตลุดไปเรือยบาปไม่บาปกวาดเรียบเลยก็ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคล้ายๆกับลักษณะสมมตินในการละบาปมันก็เหมือนกับการกวาดพื้นการตกแต่งห้องให้สะอาด เราต้องมีสติมีสมัมมาัญญะมีความเพียงก็กวาดไปด้วยการกวาดไปนะไม่ได้หมายความมากวาดทุกอย่างสติจะต้องระลึกอนี้อะไรสมัมมาัญญะจะต้องรู้อันี้มีค่านะกวาดทิ้งไม่ได้นะสมัมมาจันญะก็ตัดสินนอาไว้เก็บเก็บขึ้นไปก่อนแล้วก็กวาดไปด้วยกวาดไปเรื ย, รยสติสมัมมาัญญะจะต้องมีอยู่เรื่อยนะฮะไม่ได้กวาดกวาดเอาแหวนเพชรลงไปทิ้งถังขยะเลยหรอก <c oughs> ถ้าขาดสติขาดสมัมมาันญะมันก็แหวนทิ้งถังขยะได้ นี่ก็คือที่จริงแล้วคือชีวิตนะฮะคือชีวิตที่จะต้องมีธรรมะเหล่านี้อยู่มีสติมีมีการวิจัยมีความเพียรทาอะไรก็ตามต้องมีสติมีการวิจัยมีความเพียรท่านมองเห็นธรรมะว่าเหมือนกันตรงไหนไหมฮะตรงนี้เหมือนกันทุกแห่งเลยธรรมะถามข้อนี้จะเหมือนกันทุกแห่งเลยในสติปัฏฐานว่าไงอาตาปีสัมปชานโนสติมาสามข้อนะ อาตาปีสัมชาชโนสติมาอาตาปีก็คือความเพียรสัมชาชโนคือคือรรมำวิจัยนะฮะหรือปัญญาหรือสัมภชัตย์อันเดียวกันอันเดียวกันสติสัมโพชงก็คือสติมาคือมีสติพอถึงพระพุทธเจ้าล่าอูกกรรพริกษูตรทั้งหลายเราเมื่อเป็นพระโภพธิสัตย์ยังไม่ได้สัตรสรุปมีความเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนถงไปแล้วแหละอยู่ ไม่ประมาทคืออะไรคือสติความเพียรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดนะความเพียรก็คือความเพียนความเพียนก็คือวิทยะก็คืออาตาปีมีตนส่งไปแล้วแหละอยู่คือการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาธรรมานี้จึงหมดฮนะโยมตั้งแต่กินข้าวมาเลยแต่กินข้าวตั้งแต่กวาดพื้นตั้แต่ซักผ้าตั้งแต่จะข้ามรถข้ามถนนอะไรขึ้นรถข้ามถนนหมดเลยสติสัมมาจัญญะความเพียรนี่ใช้ตลอดจนโน้นเป็นนิพพานกันเลยอเป็นนิพพานกันเลย ตากันเต็มที่เดินกันทีนี้ปริมาณของสิ่งเหล่านี้แกจะสูงขึ้นสูงขึ้นคือเราจะเห็นว่าพอปริมาณสติสูงขึ้นเนี่ยความเผลอเร่อความหลงลืมก็ลดลงนะฮะปริมาณของธรรมวิจัยหรือว่าปัญญาหรือสัมมาชัญญะอันเดียวกันนะฮะมันเรียกอาการนั้นเองอะ่ะสูงขึ้นไอความโง่ต่างๆมันก็ลดลงไปแต่ตรงนี้ตรงนั้นต้องใช้ความเพียรความเพียรยังต้องมีทิศทางฮะความเพียรแกไปอยู่ข้างหน้าเพื่อนไม่ได้ทรงเดช ไม่มีตัวกำหนดไม่ได้มันทื่อๆอะความเพียรอะกวามเพียรจะต้องเอาสติกับปัญญานำอะไรจะนำในกรณีไหนเอ า, าเราพูดถึงสรรมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานคือสตินำปัญญาตามความเพียรหนุนปวิปัสนาใช้ปัญญาอยู่ข้างหน้าต้องพิจารณาสติต้องระลึกตามคุมไปคุมการระลึกนะครับม่นจะระลึกเรื่อยไป มันจะระลึกเรื่อยไปละลระลึกร่างกระดูกกลายเป็นร่างคนน่ยไม่ได้นะร่างกระดูกก็เห็นเปลือยหน้าผุปังไปเลยระลึกร่างกระดูกกลับเป็นร่างคนสวยงามมาเดี๋ยวก็เรียบร้อยครับผาเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในสมัยอะไรอ่ะก่อนฉลองยี่ห้าศตวรรษนะฮะแต่ยีห้าศตวรรษนั่นแหละมีภาพจเจริญกรรมฐานา ท, ที่แพร่หลายมากน ะ, ะที่เป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายผ่าซีกอะผาซีก สิ่งหนึ่งเป็นสี่กระดูกสิ่งหนึ่งเป็นผู้ผู้หญิงเป็นชุดราตรีผู้ชายเป็นไอชุดสูทแต่งตัวสง่าเลยคือต้องการจะแยกให้เห็นว่าแท้ทจริงแล้วสภาวะอย่างจริงมันคือร่างกระดูกที่ปลูกมัดรัดรึงกันด้วยเส้นเอ็นฉาบทาด้วยเนื้อนะฮะก็หล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือดต่างๆหุ้มไปด้วยหนังเนะี่ยมันก็เหมือนกับอะไรอะเหมือนกับวิทยุโทรทัศน์เนี่ยลองเปิดดูข้างในแล้วไม่นนเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนอะไรก็ได้นะ <laughs> เออเจ้าพวกเอาไปจเจริญกรรมฐานเจริญไปจเจริญมาแทนที่จะพิจารณากระดูก ไอเนื้อให้เป็นกระดูกพิจา ร, รณากระดูกเป็นเนื้อหมดเลย <c oughs> ก, รกระดูกเลยข่าป่าหมดเลย <c oughs> นี่ก็คือปัญหาว่าวิธีการเนี่ยต้องทันมากวิธีการในการพิจารณาต้องมีสติต้องมีสามัญญะในกรณีนี้ใช้คำวมาวิจัยคือสอดส่องเพ่ง พ, พินิษฐพิจา ร, รณ า, ารธรรมะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการใช้เหตุผลแต่ไม่ใช่ความเพี้ยน โ, โ, โดยโดยเพี้ยนเรื่อย มันต้องเพียนอย่างมีเหตุมีผลมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่อย่างที่เขาเล่าว่าในในใ น, ใ น, ในพรานบุญไงเดินทื่อไปถึงก็ชนต้นตาเลยเจาะเลยเจาะเลยก็เดินต้องตรงเลี้ยวไม่ได้จนต้นตาในนี่มันก็เดินไปแล้วต้องมีสติมีปัญญามีการวิจัยสอดสองธรรมะแล้วจึงใช้ความเพียนตามนะฮะความเพียนต้องตามเพื่อนนะความเพียนไปนําหน้าไม่ได้เดี๋ยวข้าบ่าเลยต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวกรุยทางเป็นตัวกําหนดทิศทา ง, ทางในการไปได้แต่กัน ทีนี้พอปฏิบัติเกิดไปแล้วนะฮะธรรมะสมอย่างนี้ปฏิบัติแกก็เข้มข้นขึ้นไประดับมันถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปีติเอื้อิ่มในธรรมขึ้นมาเช่นว่าโยมระลึกได้เกิดความส ง, งบแกก็เกิดปิตินะฮะที่จริงแนหะแต่ในขณะที่เราระลึกนั้นแสดงว่าสติมีกำลังมากปัญญธรรมวิจัยกับความเพียรก็หนุนอยู่ข้างหลังอาการของแกไม่ปรากฏเพืะอ่าแกเราเกิดปีติพระสติแต่แท้แท้จริงตัวสมชาญญากับความเพียรก็ต้องอยู่ หรือบางทีเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องสังขารทั้งหลายก็เกิดปลนคลายปล่อยวางได้นะมันก็เกิดปีติปีติในสาวิปัสสนานะฮะมันก็เป็นเป็นปีติที่ปัญญานำแต่ก็สติกับความเบียดก็ต้องอยู่อีกก็เรียกปีติสัมโพตรชงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะฮะจนในที่สุดพอปีติบ้าเนี่ยปีตินี่มันไม่ได้เรื่องอว่าที่จริง ยังเป็นทางผ่านนั่นเองลองดูคนปีติก็าคคนดีใจมากของผู้จ้าไงในเรื่องมันขาดสติจริงๆกาดสติบ้นหายไปเลยปีติเนี่ยคนดีใจเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเวลาก็ดีใจสุดขีดลองอัดเทปไปดูอัดเทปทัดนฮนะแล้วอัดเสียงไปดูเราจะเห็นว่าพูดไม่ได้รู้เรื่องเลยมันมันอิบเอบเอบอิมเกินไปนะฮะเออบอิมเกินไปเลย พุทเจ้าก็สอนให้แต่มันเป็นทางผ่านนะเป็นทางผ่านที่ใจใจเราจะต้องผ่านทางนั้นเราจะต้องสัมผัสกับปีติไม่ว่าทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ่ทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิเราเราต้องผ่านปีติเจอปีติเรื่อยเเจอปิติเรื่อยแต่ว่าปีติจริงๆนั้นใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใจมันฟูเกินไปใจฟูเกินไปอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระไพร ะ, าระธารุจิริยะนะ จีแกเอาเปลือกไม้มานุ่งที่เรือแตกแล้วก็เขาบอกว่าคุณไม่ใช่เป็นพระอาหารหรอกไปข้าวพระพุทธเจ้ารีบมาตั้งกลางคืนกลางวันนั้นนอนคืนเดียวเองอะเดินตั้งกลางคืนกลางวันโดยรีบมารู้ว่าตัวเองจะตายแล้วรีบมาพอ ม, มาถึงไาเจอพระพุทธเจ้าปีติผู้ไม่รู้เรื่องไงปีติเกิดผู้ไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องต้อ ง, องหาวิธีหยุดทัางก่อน่ะหยุดท่านก่อนหยุดหยุดด้วความคิดก่อนใจฟูอย่างนั้นรับไม่ได้ ยิ่งฟูเกินไป ร, รับรับรับรู้อะไรไม่ทั น, นะฮะเพราะ ง, งั้นท่านเรามองได้ทุกจุดเลยนะฮะมองได้ทุกจุดเลยอย่างตอนที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาคว้าพระพุทธเจ้านะฮะไฟขวัญมันนานด้วยกันต้องการที่จะพบท่านผู้ศัตรู้อย่างเงี้ยมากับลูกศิษย์สองห้าคนลูกศิษย์ที่จริงฉลาดน้อยกว่าอาจารย์นะฮะอาจารย์นี่ฉลาดด้วยกัน พอ ม, มาฟังแท้ก็สององนี้พอเกิดปีติมั่วไปหมดเลยเกิดปีติโอโหวิเศษธรรม ะ, สะแสดงพวกคิดแตกเป็นฉากฉากฉากฉากเลยไม่ได้บรรลุตั้งนิดไหนลูกศิษย์ได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันหมดเลย2องอยห้าสิบองตัวนี้ไม่ได้เลยไปไม่ได้มั น, ม, นมันเกิดหมดในปีติมันเกิดฟูหมดเลยใจอะ่อะพอแสดงออกมันเอิบอิ่มโหเสียดายเวลาในอดีต จะได้เวลาในดีปั้งมามมันมันมันน่าคิดอ่ะใจมันไม่สงบพอใจไม่สงบลูกศิษย์เขาสงบศิษย์เขาสงบในสุดลูกศิษย์บรรลุอรหัตก่อนอาจารย์ฮแล้วก็ตั้งปัญหาถามภาษาดิบุตรทําไมฉลาดอย่างเป็นมีปัญญาสามารถคํานวณแม่เมล็ดฝนที่ตกลงมาได้ทําไมเฟังเทศไม่ได้บรรลุเขาก็บอกว่านอกจากปีติยันต์กล่าวแล้วเนี่ยมันเป็นการเป็นการคล้ใกลกับพระราชาเสด็จกษราย รัศดรจะไปไหนเนี่ยการเจรียตัวผิดกันคือท่านท่านท่านเออบิมมากเกินไปเพราะงั้นใจมันต้องลงมาถึงปัตสัตติสัมโพชงองทางเครื่องสัจสรูค้คือปัตสัตติพอใจซึ่งงบเป็นปัตสัตติคือกายส ง, ง บ, สงงบจิตสงบจิตสงบปัญญามันก็ผุดได้นะฮะแล้วก็เข้าไปถึงเป็นสมาธิเรียกสมาธิสัมโพชงสมาธิเราจะเห็นว่าอยู่ทุกจุดเหมือนกันสมาธิเนี่ยอยู่ทุกจุดเหมือนกัน แล้วก็ต่อไปก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงองค์ธรรมเครื่องศัสรูคือเบกขาอุเบกข า, านี้ไม่ใช่อุอเบกขามีสิบอย่างวันหลังนี้เดี๋ยวจะพูดเฉพาะอุเบกขาสักสักวันหนึ่งให้ถึงธรรมะเฉพาะอุเบกขาล้วนๆนะฮะสิบข้อสิระดับตัวการตํางการกงเบกขาจึงเป็นเรื่องการใช้ปัญญาน ะ, ะอุเบกขาเป็นอาการของปัญญา ช, ชัดๆเลยไม่ใช่ว่าวางเฉยอย่างที่ หนังสือฟิล์มฝรั่งที่เอาไปลงหลายปีไปแล้วนะฮะว่ามาเมืองไทยไปเที่ยวตลาดน้ำวัดไซเห็นเด็กตกน้ำคนไทยยืนดูกันเฉยถามว่าทำไมไม่ช่วยเหลือเป็นกรรมของสัตว์เบีขากรรมของสัตว์บอกไม่มีธรรมะอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาไม่มีอย่อยางนั้นในกรณีนั้นก็ใช้กรุณาก็ไม่ใช้เบียขาหรอกคนสงสารคนประสบความิบัติก็ใช้กรุณาสัตว์ทั่วไปใช้เมตตาสัตว์ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าใช้มุทิตา สัตว์ประสบความพิบัติเพราะกรรมของเขาเองนะฮะเราต้องใช้อเบกขาคนติดคุกเพราะกรรมขเขาเองใช้อุเบกขาหรือว่าตายแล้วนะฮะก็าตายไปแล้วเนะี่ยเราต้องใช้อุเบกขานะฮะจะ ก, การุณามันก็กลายเป็นโศกจะเมตตาเมตตาอะไรเพื่อนตายแล้วเมตตาอะไรก็เมตตาคนที่เป็นเนะ่ยเมตตาคนตายไมเมตตก็เมตตาคนเป็นคนตายก็ไม่เมตตาหรอกเมตตาอะไรแกหรอกแกตายแล้วก็วยวอย่างดีก็อุเบกขาคือพิจารณาเห็นเป็นไปตามกรรมของสัตว์ท่างๆ จะมุติตากแกก็ไม่ได้นะฮะแกก็รับรู้ไม่ได้ตรงนี้มันต้องสัมผัสกันได้นี่ก็คืออุเบกขาคือการเพ่งพิจิรพิจณาองค์ธรรมอ่ะครอุเบกขาท่านผู้ชมคือพิจารณาองค์ธรรมดูดูอะไรละ่ะเหมือนกับเหมือนกับแมลงวันเนี่ยมาอยู่ตรงกลางรังอะ่ะฮะแล้วก็ดูสิ่งที่มากระทบทีนี้เวลาเวลาปฏิบัติองค์ก็หมุนนะฮะหมุนอีกอะ่ะหมุนกันไปอย่างเงี้ย หมุนกันไปเรื่อยจนถึงแต่และจุดข้าถึงความสมบูรณ์ก็บรรลุเป็นอริยมรรคไปรายละเอียดก็ยังมีอีกมากแต่สรุปว่าต้องการห้เห็นว่าธรรมะเจดข้อนี้ที่เราเรียกว่าสัมโพชฌงค์เนี่ยอนุภาพในด้านพระปริตเราเห็นได้ชัดเลยว่าน้อมเข้ามาหาตนแล้วเกิดธรรมปติจึงมีผลในการกระจัดโรคได้คราวหนึ่งพระโมคคัลลานะกับพระมหากรตปะป่วย พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมไม่เดา ย, ยาอะไรไปเยี่ยมนะไปถึงก็เทศรวจงให้ฟังเลยเทศวจงให้ฟังเลยกระแสรพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมันเพิ่มปีติเพราะท่านเห็นของท่านาน่ะตั้งก็มีของท่านสมบูรณ์นะฮะไอ้ทีนี้ไอ้ธรรมะปีติเนี่ยมันจะทําให้ดึงจิตไปอยู่กับเรื่องโ น, น้นโรคภยัยไข้เจ็บก็หายลักษณะเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะในกรณีนี้เท่า น, นั้นนะฮะกรณีชาวบ้านทั่ทวไปเนี่ย แล้วก็มีได้เรามีได้ที่มันป่วยหนักนั้นเพราะว่าใจเราไปบวกกับอาการป่วยโดยไม่มีความจําเป็นอะไรมีเขาเล่าสมัยหนึ่งนะฮะเกเรหิวาราบาด ท, ที่เกาะยอจังหวัดสงขลาแล้วคนคนหนึ่งก็ก็ไปทางเรือเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนะพอขึ้นไปถึงก็มีคนถามคนตายไปฝังกันอุตรุษไปหมดเลยนะฮะ เพื่อนก็ไปหามศพก็มีแต่พันยาพัญญาก็หุงข้าวหุงปลาให้รับประทานกันนะฮะในรับประทานอาจจะใจเสียหรืออาจจะอะไรก็ไม่รู้อาจจะเชื่อโรคจริงก็ไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าเสร็จแล้วพอรับประทานไปหน่อยเดียวแล้วก็ถ่ายกันอุดตลุดเลยนะฮะทั้งหมดเลยทั้งทั้งลำเรือนะโดยเฉพาะไอ้ไอ้ตัวหัวหน้าตัวไอ้กัปตันเนี่ยถ่ายมากที่สุดเลยเสร็จแล้วเพื่อนก็หามลงเรือเพื่อจะแล่นเรือข้าไปที่ฝั่งสงขลา ปรากฏว่าไอ้ไอคนแล่นเรือมันแล่นไม่เป็นอะเรือมันจะจมเอานายนี้ก็เห็นท่าไม่ได้เรื่องตกใจเลยขึ้นคุมเรือเองคุมเรือเองก็แล่นใบชิวเข้าถึงสงขาเลยจะนําคนขึ้นโรงพยบาบาลปรากฏว่านําคนอื่นนะฮะกาตานหายแล้วกัตาตันหายจากไอาวาตการโรคแต่แล้วเ <laughs> นี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันไปอยู่ที่อื่น ยิมันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้บวกความมีตกกังวลกำลังใจมีความกล้าแข็งขึ้นมันมันมีผลกระทบถึงกายได้สุดก็หามคนอื่นไปรักษานะฮะตัวเองไม่ต้องรักษาหมอตรวจไม่เห็นมีเชื่ออยู่ว่าล น, นี่คือพลังนะฮะไอ้พลังในแนวนี้อย่าลืมว่าอยู่ที่ความเชื่ออย่างที่อามาเคยเล่าให้ฟังนะฮะมาร์คทเวนนะฮะมาร์คทเวนรู้สึจกะกเป็นนักประพันธ์ใหญ่ของอังกฤษนะฮะที่แกมาทดสอบแม่น้าคงคาที่อินเดีย เอาน้ำแม่น้ำกรงคาแก้วหนึ่งแม่น้ำเอาน้ำธรรมดาในแก้วหนึ่งแล้วเชื้อไอวา่าใส่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ว่าอีกแก้วที่น้ำธรรมดาในเชื้อไอวาแพร่เชื้ออย่างเร็วเลยในแก้วที่มีแม่น้ำกรงคาอยู่ตายเรียบวุดนเลยไม่รู้ไปไหนอันนี้เราดูได้นะฮะถ้าเราดูในเชิงภูปิศาสตร์แล้วเนะี่ยฮะเป็นความเชื่อที่อาศัยรูปธรรมขึ้นมา ให้ให้ให้มันเหมาะสมสำหรับคนอินเดียนะฮะคนอินเดียในะพวกนักหลับชั้นยอดเ อ, อที่จริงถ้าเราดูตามภูมิศาสตร์แล้วจะเห็นว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยมันตอนข้างบนตอนฤษีเกศนี่ยตอนข้างบนเนี่ยมันมีอะไรเภสาาัชมีแร่ธาตุเยอะแล้วมันมันหมุนอยู่งั้นตรงนั้นเันศักดิ์สิทธิ์มากก็ที่ว่าหัวเสียนพระสีวะมาปะทะแอ่น้ําแม่พระคงคานะฮะตอนอย่านาะวาฒน์แล้วตอนไหลผ่านแม่น้ํายมูนาน้ํามันก็หมุน แล้วมันก็หมุนแร่ธาตุต่างๆเพศสตวต่างๆก็ตกตะกอนตกตะกอนสะสมมาจะ ก, กี่ล้านปีเราเราก็ไม่รู้แล้วพอถึงแม่น้ําพารังสีน้ําหมุนอีกน้ำหมุนอีกอ้กอตะกอนที่ที่ที่เหลือมาจากไอคงคายามุนาเนี่ยฮะมันก็มาตกเกี่ที่นี่อีกเพราะฉะั้นแม่น้ํำคงคาจึงศักส 4.3 จุดสัก 4.3 จุดในแง่ภูมิศาสตร์เป็นไปได้แน่นอนเลยแต่ว่าต้องอาศัยศรัทธานะฮะอาศัยศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาอตาตมาไปอยู่อินเดียสองปีกว่าไม่เคยแม้แต่เท้าแตะน้ําของกาเลยไม่เคยเลยนะไม่ต้องไปถึงล้างหน้าล้างตาจะดื่มเดี๋ยวอะไรไม่เคยแม้แต่เท้าแตะเลยคือรู้สึกมันยังไงว่าขยักขยังอะ่ะ ต, ออตาตาบ้าดื่มเนี่ยแน่นอนอาหิวเล่นงานแน่เลยเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีกําลังใจอยู่เลยในแะม่น้ำของกาเนี่ยคือเห็นแล้วมันขยักขยัง่ง ไม่กล้าไม่กล้าแต่ต้องขนาดเดินไปรามนาครในน้ำแช่แช่แช่แชเราก็พยายามนะหน่วงไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมไม่ถูกก็เลยก็ไม่ได้ล่างบาปหรอกไปตั้งอยู่ตรงสองปีกว่าไม่ได้ล่างบาปในแม่น้ําตามความเชื่อถือของพราหมณ์เขานะฮะนี่เราจะเห็นว่าแต่คนอินเดียเขาดื่มก็กินได้บางทีศพมานกระไหลามาเขาก็วักศพออกไปแต่แล้วก็ดื่มอาบกันอย่างสบายสบายเพลินเพลินนะเพลินไม่มีเดือดร้อนอะไรแล้วเขาไม่เคยเป็นอะไรกันเลย นั้นคื อ, อส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของศรัท ธ, ธานะฮะส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลทางทางภูมิศาสตร์ข้ามันมันมีอยู่สามจุดแต่นั่นเด็กเรื่องความศักดิ์สิทธิธ์เพราะงั้นเราจะมองในแง่ไหนก็ได้นะฮะแต่ต้องเอาศรัท ธ, ธาเข้าบวกด้วยในี้ยกันี่นี่ส่วนท่านเหล่านี้ท่านเป็นพระอาหารมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะต่้งก็เกิดธรรมปีติของท่านเต็มชีดเลยแล้วก็หายป่วยเลยพระเจ้าเทพพ่อชงให้ฟังหายป่วยได้ครั ประวัติความเป็นมาพิลึกนะแต่ว่าพระอาหารหันต์ปกติใจกกายท่านแยกได้อยู่แล้วมันไม่ค่อยแปลกอะไรเราก็นํามาเป็นคาถาสวดก็เรียกทําบุญเจริญอายุนะฮเจริญอายุยนี่ผมก็ไม่แน่นะมันนัเหตุปัจจัยอาตมาเคยไปสวดเจริญอายุตายคาสวดทิ้งก็เอาเพื่อนไปสวดยวนจะตายไม่ตายแหละนั่ก็ตายอเลยแล้วก็ยังดีนะฮะว่าได้ยินเสียงธรรมะตายนะ ต่างจังหวัดเนี่ยเขานิยมว่าคนแก่พอตายจวนจะตายเป็นตายแหละก็นนี่มนุ์พระไปสวดนะสวดพอสวดอะไรไม่รู้พอเห็นวันแน่ใจว่าจะตายแล้วเปลี่ยนทันทีเลยเป็นอิติปิโสขึ้นทันทีเลยก็เรียกสวดก็เรียกสวดพระปิติเป็นวิธีฉลาดนะเป็นวิธีฉลาดเพื่อดึงจิตคนให้มาอยู่กับอิติปิโสเพราะอย่างอื่นคนไทยไม่ถนัดเขาไม่เก่งอะบางทีราตนาศีลยังไม่ได้เลยือไม่ค่อยจ้ามาเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเนี่ย แต่จําเรื่องที่เปนินทาคนอื่นได้เยอะเลยในเรื่องนะ้โมเรื่องอิติปิโสได้พอพอไหวนะเพราะฉะนั้นอิติปิโสมันก็ชินหูประสมขวรญเราจะเห็นว่าวิธีโบราณเนี่ยท่านดีมากเอาไปสวดมนต์ล้อมตีวงสวดมนต์ต้องสวดอิติปิโสนะครับแล้วพอถึงพอถึงพอเห็นคนป่วยจะไปแล้วนะ่ะปั๊บเป็นอิติปิโสคือครบจบหรือไม่จบไม่รู้สูตรอื่นเลิกเลย อิติปิโสเพราะสูตรอื่นก็ไม่จินหูแกแกส่งจิตรับไม่ได้ไม่ได้มันคลื่นมันไม่สัมพันธ์กันต้องอิติปิโสแล้วก็ไปได้เพราะคุ้นเคยพอสมควรนี่เป็นเป็นเรื่องที่ช่วยได้ในด้านคุณภาพจิตนะฮะแล้ก็เข้าอีกสูตรหนึ่งคือสูตรกรรมที่เคยพูดว่าเมื่อจิตผ่องแพ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติตัวกาหนดพบชาตินั้นมนก็กาหนดกันตรงนั้นนะฮะ อันดักันตรงนั้นตรงอาสัญนกรรมคือกรรมจะดับจิตปกตินิมิตตารมกรรมนิมิตเอ๋กรรมารมกรมนิมิตตารมคตินิมิตารมเนี่ย ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันก็เกิดกันตรงนั้นนะ่ยเออนี่ก็คือช่วยในการก็ไม่รู้แหละแกเกิดทำบิติได้แกก็หายก็แล้วกันทนำะมาเกิดทำบิติก็รักษาคุณภาพใจเอาไว้ให้อยู่กับกระแสธรรมอยู่กระแสธรรมมันกระแทกกระทันไม่รู้แหละกิเลสแทรกไม่ครยได้ก็แลนะ้วกันในขณะนั้นถ้าแกมีสมาธิดีนะฮะ ซึ่งซึ่งในเรื่องเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าแม้แต่ระดับระดับสูงขึ้นไปเนี่ยหักความคิดออกไปจากจุดที่ตนมีปัญหาเป็นวิธีการที่จะดึงคนข้าหาธรรมะอย่างพระสารีบุตรไปโปรดนายโจรคราวแดงซึ่งเป็นเพชรจะาดกะเกษียณข้าคนมายะแต่พระสารีบุตรท่านรู้คนนี้ต้องได้บรรลุธรรมะเตี้ยมาเคยเล่าเกี่ยวกับพระพายยะสาุจริรยะนะฮะเกี่ยวกับหลายเรื่อง เอาพระกุมมารกัตสปะอะไรที่เกิดล่ามาแล้วพวกห้คนนะฮะพวก5คนที่เกิดในสมัยพุทธกาลหคนเป็นอดีตภิกษุในสมัยพระประกัตสปะสมาธิพระพุทธเจ้า7องค์องค์แรกบรรลุอรหัตองค์ที่สองบรรลุนาคามียฮนะอีก5องค์ก็มาเกิดในโลกมนุษย์สมัยพระุทธเจ้านี่ฮะแล้วก็ถูกโควิด ต, ตายตัวโควิด ต, ตายพระกรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นพระอรหันต์ก็มีพระาพารยากชดดย็ชุดเนี่ยชุดเนี่ยปิดปิชุดสูผ้าสู สุพิยะปริภาชกกุมารากัตสปะนายจนคราแดงพายะทรุจิระพวกพวกพวกที่ที่เกิดอุบัติเหตุตายหมดเป็นกรรมในอดีตแต่ทีนี้เวลาฟังเทศน์นั้นท่านไม่สงบหลับตาปั๊บก็เห็นแต่ว่าตัวเองบีบขมับคนก้ากิงอะไรตเนียใจไม่สงบพุ้งท่านภาษาดิบตั้งกระถามเป็นไงว่าตกใจไม่สงบเหร บอไม่ไหวเลยท่านบอกเอาใจไม่อยู่เลยมันคิดถึงแต่เรื่องที่ทําบาปกรรมเอาไว้พระสาริบุตรท่านใช้อุปายะนะะเราจะดูเราลองดูจำนวนท่านนะท่านถามว่าเอออุบาสกแล้วตอนไปฆ่าเขานี่ท่านฆ่าเองหรือพระาราชาสั่งให้ฆ่าะ่ะก็บอกพระราชาสั่งให้ฆ่าเอาล้การที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของพระราชาไปฆ่าเขานี่เป็นบาปด้วยหรือเป็นบาปด้วยหรือท่านถามนะฮะ ท่านถามมาเป็นบาปด้วยหรือนายจนคอแดงเนี่ยเป็นเป็นคนซื่อๆอ่ะแกนึกว่าพระ บ, บอกว่าไม่บาปแล้วก็ทําใจว่าไม่บาปมันก็ตัดได้แต่ได้ใจมันก็รวมรวมมาอยู่กับธรรมะนั้นก็คือหักความคิดที่เป็นอุปสรรคออกไปโรคใจก็ขจัดได้นะฮะโรคใจที่จริงว่าเป็นขจัดโรคใจโดยตรงไม่ใช่ขจัดโรคกายและในสุดท่านก็ฟั ง, ฟงธรรมเทศนาก็บรรลุโสดา เดินส่งภาษาดิบุตรหน่อยเดียวก็วัวผิดตายอย่างนี้ก็เพชะฆาตก่อนตายเป็นพระโสดาบานันนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมันปิดประตูจตุรบายอย่างที่เล่าไว้ในรัตนสูตรต่อมาพระพุทธเจ้าประชวรเองนะสูตรนี้เอาเจะความเป็นมาครั้งพระเจ้าประชวรพระจุนทะน้องชายภาษาดิบุ ต, ตรไปสวดนี้ถวายพระเจ้าหายประชวรฟังกันในเรื่องนี้จึงเน้นไปที่โรค ในในเชิงปริตรนะฮะเน้นไปที่โรคแต่ว่าในเชิงธรรมะไม่ใช่คือในเชิงปริตนั้นเน้นไปที่โรคกายในเชิงธรรมะนั้นเน้นไปที่โรคใจปัญหาว่าเราสัมผัสได้ในระดับใดแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแม้จะเน้นไปในโรคกายก็ตามแต่ใจจะต้องสัมผัสธรรมะเหล่านี้ได้แล้วเกิดปีติเกิดสงบเกิดอยู่กับธรรมะเหล่านี้ แล้วมันจะเพิกถอนไอ้ทุกขเวทนาต่างๆได้นะอย่างที่อามาเคยเล่าฟังว่าอาตมานเองเนี่ยฮะมันที่สนใจงานในด้านนี้นะฮะสนใจที่ชอบทํางานในด้านนี้เพราะเห็นผลคือหายป่วยกับเทศเนี่ยมันไม่รู้สักกี่สิบครั้งแล้วน ะ, ะก็ล า, างป่วยหนักบางทีเป็นมา เ, เรียขาไอ้ไข้สันแบบแบบแไม่มีคนเทศเพื่อนบอกไปเทศเทศเสียหายเลย ไม่ต้องกินยานะเทศเราหายเลยทีนี้เราเห็นได้ชัดนะฮะว่าธรรมปิตีตเนี่ยธรรมเนี่ยคุ้มครองแม้แต่ระดับระดับระดับเนี่ยแอบโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาธรรมดาเราไม่ต้องพูดถึงระดับที่สูงขึ้นไปแต่นั้นประสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ขาดไม่ได้ในพิธีมงคลถ้ามีสุภาพสตรีอยู่ด้วยนะฮะ แต่ว่ามันมันโพชงนี่เป็นตัวหลักคือสวดไม่ไม่เลิกเลยคเคยกว่าทุกงานนะฮะต้องสวดส่วนอังกฤษเรามาละปริตรนั้นไม่แน่มันก็ดูที่ลักษณะของงานว่างานนี้มีสุภาษสตสีไหมจะส่วนมากสุภาษิตสีนี่มันก็ขาดแล้วเราก็ต้องต้องต้องดูภาษิตสีที่ที่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะถ้า แ, แก่ก็ไม่ต้องสวดก็คงไม่คลอดลก็สวดเฉพาะคนที่มันไอเกียกาคือให้เกิดสวัสดีมงคลแกเอ่ เกลูกเต้าในคันนะฮะต้าในคันเป็นประวัติมงคลเกี่ยเขามันมีทิศทางที่มาความเป็นมาคนละทิศตุลาทางกันทั้งหมดแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป้าหมายแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันนะฮะคือต้องการที่จะกจะทุกข์ภัยโรคในระดับต่างๆทางระดับเวรภัยนะระดับเวรภัยที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนโดยเฉพาะพวกอสสวนาจะพาลานางนเนีนได้ชัดนะฮะพวกนั้นคือเวรภัยเลย อาศัวนาไม่ใช่ลักษณะคลังพวกมงคละสูตรไม่ใช่ลักษณะคลังแต่เป็นลักษณะของอจะต้องเอาไปปฏิบัติจะขจัดภัยได้เมื่อเมื่อไม่ครบคนผานก็ปิดประตูภัยได้แยะนะแล้วก็หาบัณฑิตบูชาท่านผู้ควรบูชานี่ก็ทางสวัสดีนะพวกนี้เน้นไปในทางภายัยเราเห็นไนดะ้ชัดเลยส่วนรัตนสูตรนั้นจะเน้นไปในทางโรคใ น, นไปในทางโรคเป็นหลักปภกระเพาะชงนะฮะ ในมิติทางโรคทั้งโรคกายและโรคใจแต่ว่ารัตนสูตรเน้นไประดับส ง, งกกบกสัทธานี้เน้นไประดับสงบ ก, กับปัญญาเพราะงั้น อ, อ, องค์ธรรมในพระสูตรนี้จึงสูงกว่าจะเน้นไปที่สูงกว่าแสดงว่าตัวการที่จะให้เกิดเป็นผลคือความสงบไม่ใช่คือการขจัดโรคนั้นประเด็นมันก็อยู่ที่ว่า ผู้ฟังสามารถทําใจให้สงบอยู่ได้ตลอดช่วงนั้นไหมฮะช่วงที่ที่เขาสวดไหมคือเราเราต้องรับด้วยนะฮะไม่ใช่มีปทัททะตลอดมือก็กินยานั่นแหละกินยาเราสํารอกออกเถียมันก็เลิกก็เลิกพูดกันนะมันก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องรับกันนะฮะคือมีมีกิริยาปฏิกิริยามันต้องมีการให้การรับกันจิตเราสัมผัสธรรมะจนสงบจะเกิดเป็นสมาธิเป็นปีติโดยเฉพาะปีตินี่เกิดนะ ถึงแม้เราจะไม่รู้เกิดปีติเกิดความสงบไหมถ้าเกิดเป็นปีติเกิดเป็นความสงบ ม, มันก็บรรเทาอาการเหล่านี้ได้ทีนี้ถ้าในช่วงในช่วงที่มันจะดับไม่ดับแล้วที่ว่าจะดับไม่ดับแลปัญหาว่าเราเกิดปีติสมาธิอยู่ในธรรมได้ไหมถ้าเกิดได้ จิตใจเขาก็เชื่อมั่นได้นะฮะว่าในขณะนั้นมปนช่วงแป๊บเดียวเพราะไอไอไอระหว่างตายกับไอมีชีวิตกับตายนะฮะระหว่างปุถุชนกับเป็นพระยะบุคคลหรือระหว่างมรรคกับผลนี่มันช่วงแว๊บเดียวมันมันไม่ใช่นับด้วยนาทีเนี่ยอ น, นับด้วยวินาทีแต่นั้นเองเป็นเซี่ยวของนาทีเสี่ยวของวินาทีนิดเดียวแต่นั้นเองถ้ทําใจได้มันก็ช่วยช่วยได้ยังมี ท่านผู้หนึ่งเรื่องสนใจในธรรมะมากแต่นี้ท่านสนใจสูงขึ้นไปนะฮะก็ก่อนจะตายนี่เปิดทุกข์สัตว์อริยศอภิย ศ, ยศแ่งเดียวเลยนะเปิดเทปเร่งดังเต็มที่เลยเร่งดันเต็ที่พราะหูพระสัทหูประสัตา์อะไรไม่ก็ดีเร่งเต็มที่เลยก่อนจะดับในยกมือขึ้นพนมพนมปั๊บกระดับปุ๊บเลย เข้าคอมาแล้วนะฮะจะตายไม่ตายแหละแต่ว่าอาศัยที่ที่ที่จิตวิ่งขึ้นสัมผัสอริยสัจไดนะ้ยกมือขึ้นรับพระนมแล้วก็ดับไปงั้นเรื่องเหล่านี้มันต้องมีการกระทําบ่อยๆนะกระทาบ่อยๆทําจนเคยชินนะฮะแล้วก็จิตสามารถสัมผัสธรรมะเหล่านั้นได้อย่าไปติดใจว่าถ้าเรารู้ได้ก็ดีรู้ได้แปลได้ก็ดีถ้าเราไม่รู้เราเราเกาะเอาจิตเกาะได้ไหมเกาะมันส ง, งบอยู่ได้ไม่ใช่ว่าพราะ พระสวดไม่ใช่จิตไม่เก่อแต่วิ่งวอดไปไหนมาไห น, ม, นมันก็ไม่เกิดแล้วถ้าอย่างนั้นนะต้องรับนะเพราะนั้นคือกิริยาต้องมีอปฏิกิริยาที่รับถ้าทั้งสองฝ่ายทํางานประสานสัมพันธ์กันแล้วแน่นอนผลต้องเกิดทุกระดับต่างกําลังความสามารถของคนนะฮะนี่ก็เป็นพระปริวัตที่มีความสําคัญในเจริญพุทธมนต์อีกสองบทสมัครวันนี้ก็ขอจติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองงามไพรบย์ในธรรมชุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทิน